จเจริญพรทุกทุกท่านนะเวลาฟังธรรมนะเราต้องใช้สมาธิใช้ความสงบพอสมควรอย่างถ้าเราวกแวกคนเดินไปเดินมาคนถ่ายรูปอนะไรงี้สมาธิเราเสียธรรมะนั้นถ่ายทอดมันมีคำอยู่คำนะคำ ว, ว่าจากจิตสู่จิตนี่เป็นเรื่องจริงเลย ไม่ใช่จากปากสู่หูเข้าสมองจำเอาไว้ธรรมะมันต้องเข้าไปถึงใจถึงจะล้างกิเลสได้กิเลสอยู่ที่ใจระหว่างรอให้พวกเราเดินเข้าหาที่นั่งนะพวกเราอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนัปฏิบัติเนี่ยต้องไม่ประมาทถ้าเราเห็นว่าเวลาหนาทีไม่มีความหมายก็ โอกาสจะได้มาผลในชีวิตนี้ยากแล้วล่ะอย่างเรามีเวลาว่างชั่วโมงนึงานาที12ชั่วโมงมันได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่เราเก็บให้หมดเลยอย่างขนาดนี้ยังไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมขนาดนี้เรารอเพื่อนๆมาเราก็ไม่เสียเวลาเปล่ามีความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายในี้หายใจไปใจเราเป็นแค่คนดู ค่อยๆดูนะร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูฝึกมากๆต่อไปไมันจะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตที่เป็นคนดูอันนี้ยากหน่อยนะที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราสักวันหนึ่งก็เห็นจิตมันเป็นเราขึ้นมาตอนที่มันมีผัสสะมันมีการกระทบอารมณ์นะแล้วก็สัญญาเข้าไปหมายรู้ผิ ด, ผด ว่ามีตัวมีตนก็เกิดความคิดผิดเราคิดผิดก็เกิดความเชื่อผิดผิดเกิดความเห็นผิดผิดว่ามีตัวเราจริงๆตัวเราไม่มีหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มันไม่ใช่ของเล่นๆเเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนจากเมืองจีนมารวมกลุ่มกันมาเราๆยี่สิคนมาเรียนอยู่กับหลวงพ่อนะ ประมาณ10วัน10วันสําหรับคนซึ่งไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติปรากฏว่าทั้งหมดมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องนะเกือบทั้งหมดเห็นขันมันแยกได้ร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ตานน่างหากกุศลอกุศลแยกต่างหาก เรียกว่าแยกรูปนามออกไปแล้วบางคนเขาเห็นรูปนามแต่ละอย่างนั้นแสดงใจรักตัวนี้ยังเห็นได้ไม่มากนะไม่กี่คนตรงที่เห็นรูปนามแสดงใจรักได้นั่นแหละเขาขึ้นมีปั ส, สนาที่แท้จริงแล้วพวกเราชาวพุทธมาแต่เกิดภาษาที่เราใช้ว่าฟังกันรู้เรื่อง ฟังธรรมะมาก็มากแล้วถ้าเราสู้เขาไม่ได้นะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะอายเพรานะอายเป็นไหมเพราะเราต้องหย่บประมาทนะวา่าเราเป็นชาวพุทธมาแต่เกิดเพราะงั้นเรารู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนดีแล้วไม่รู้หรอกชาวพุทธที่แท้จริงมีไม่มากหรอก อย่าเมื่อก่อนหลวงพ่อมีครูบาจารย์องค์ชื่อหลวงพ่อพุทธขานิโยไม่เจอท่านร่วมสิปีไปเจอท่านตอนท่านใกล้มรณภาพเข้าไปกราบท่านบหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานมากแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากจริงควรปฏิบัติมีไม่มากนะชาวพุทธก็ยังมีแต่ชื่ออยู่เงั้นพวกเราต้องมาเรียนนะ ให้ได้สาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติให้ได้การปฏิบัติธรรมนั้นเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรเพื่อถอดถอนใจของเราออกจากของทุกข์ให้ได้เป้าหมายสูงสุดคือไม่ทุกข์ค้นจากความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์นั้นดับสนิทสิ้นเชิงสูงสุดเลยนะคือความทุกข์มันดับสนิทก่อนจะถึงจุดที่ความทุกข์ดับสนิทเนี่ย จิตมันพ้นจากความทุกข์มันพ้นทุกข์ก่อนนะแล้วทุกข์มันดับพ้นทุกข์ตอนไหนพ้นทุกข์ตอนที่จิตมันพลากออกจากขันจิตมันหมดความยึดถือขันอะไรที่เรียกว่าทุกข์ขันนั่นแหละคือตัวทุกข์รูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระเจ้าท่านสอ น, นบอกสังคีเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันทั้ง5คือตัวทุกข์ รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์จิตที่มันมีกิเลสนั่นก็เข้าไปจับรูปธรรมนามธรรมมาเป็นตัวเราของเรารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวทุกข์จิตก็ไปจับตัวทุกข์เข้าไว้จิตก็เลยทุกข์ไปด้วยในภาวนาจนกระทั่งมันหมดกิเลสจิตมันไม่มีแรงที่จะดึงดูดเข้าไปจับไม่มีตัณหาตัณหาเป็นตัวผลักให้จิตเนียกระโดดเข้าไปจับ อารมณ์ต่างๆถ้าทําลายตันหาไปแล้วนะจิตไม่เข้าไปยึดถือในรูปน้ำรูปนามก็อยู่ส่วนรูปน้ำจิตจะอยู่ส่วนจิตก็เรียกว่าพ้ทุกข์จิตนั้นพ้นออกจากรูปน้ำอย่างพระอราหันต์ท่านทําสติปัฏฐานเนีย่ยงพวกเราทําสติปัฏฐานก็เหมือนกันว่า ม, มีสติรู้รูปน้ำอย่างที่รูปน้ำมันเป็นไปมีจิตตั้งมั่นเป็นกลาง ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พวกเราจเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เห็นความจริงว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ของดีของอิเศษเมื่อเห็นความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือแต่พระอราหารันต์นั้นท่านหมดความยึดถือแล้วท่านทำสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่จะเห็นขันส่วนขันจิตส่วนจิตต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทา ง, ง, งาน เนี่ยจิตมันพ้นทุกข์ก็พ้นกันตรงนี้แหละตรงที่มันไม่เข้าไปยึดถือขันก็อยู่ไปเรื่อยนะจนกระทั่งวันที่ขันแตกขันดับเมื่อขันดับก็คือทุกข์ดับงั้นเวลาพระอรหันต์หรืออย่างพระพุทธเจ้าเจรินิพพานท่านไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าของดีของพิเศษกําลังจะตายแต่ท่านเห็นว่าไอ้ทุกข์ที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันกําลังจะดับไป รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นมาจะดับไปนะงั้นท่านใจท่านร่าเริงเบิกบานไม่กลุ่มใจอย่างพวกเราใกล้ตายก็กลุ่มใจงั้นเวลาอย่างพระอราหันต์ท่านใกล้เชิญ่ยพานท่านจะสดใสผ่องใสเป็นพิเศษจิตที่ฝึกไว้ดีนำความสุขมาให้นะงั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความรู้ความฉลาด ลำพังฝึกจิตให้สงบมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธเพการฝึกจิตให้สงบมันก็ดีเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนดีกว่าฟุงซานฝึกจิตให้สงบก็ข่มกิเลสได้ชั่วคราวก็ไปสุขติได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพลมได้แต่ไม่เป็นนิพพานหรอกต้องมาฝึกให้จิตเกิดปัญญาปัญญาก็คือ การรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่เองต้องมาฝึกให้จิตเกิดปัญญาพอจิตเกิดปัญญาแล้วนี่จิตจะปล่อยวางความยึดถือรูปนามจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่แท้จริงเข้าถึงพระนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตมันมีกิเลสมันเลยไม่เห็นวันที่จิตมันหมดกิเลสนะมันฉลาดกิเลสตัวที่ละเอียดที่สุดก็ ค, คือความไม่รู้ของเรานี่ความโง่ ก็คือพ่อคือแม่ของกิเลสตัวอื่นๆเลยแล้วเรามาสู้กับกิเลสคือสู้กับความไม่รู้ของตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่นหรอกวันใดที่จิตมันรู้ความจริงรูปนามนี้คือตัวทุกข์จิตก็สลัดคืนรูปนามให้โล่งจิตก็พ้นจากทุกข์ก็ดำรงขันไปจนวันที่ขันแตกขันดับนั่นแหละคือวันที่ดับทุกข์งั้นอย่างพระอราหันต์เนี่ยท่ามีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบให้ฟังนะบอกว่า เหมือนคนที่รับจ้างทำงานนะงานที่ยากยากรับจ้างทำงานเสร็จแล้วกำลังรอเวลาที่จะรับค่าจ้างงานวันที่คันแตกคันดับเนี่ยคือวันรับค่าจ้างท่านเทียบอย่างนี้เลยนะไม่ใช่วันเดียวไายเลยงั้นการฝึกจิตฝึกใจนะเมื่อกี้บอกแล้วนะมันมีสองขั้นขั้นหนึ่งฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญา อีกขั้นหนึ่งก็ฝึกให้จิตเกิดปัญญาให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่ารูปนามขันหานี้เป็นตัวทุกข์เบื้อต้นยังไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์มันจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก่อนตัวที่เห็นว่าไม่ใช่เรารูปนามขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าเลยไม่มีเราที่ไหนเลยนั่นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพออบรมปัญญาแก่กล้ากนะ็เห็นเลยสิ่งที่มีอยู่คืออะไรขันห้ามีอยู่ คือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างเนี้ยจิตจะสลัดคืนขันให้โลกคืนรูปนามให้โลกไปพ้นจากรูปนาไปงั้นสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังวันนี้นะเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเราหัวข้อที่ให้หลวงพ่อเทศน์รู้สึกจะเรื่องอะไรรู้ใจไกลทุกข์ใช่ไหมค ล, คลายอยู่จําคลับคลายคลับกลาง นี่จึงเํามาฝึกจิตฝึกใจนะขั้นแรกเลยฝึกจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาขั้นที่2พาจิตให้เจริญปัญญาไปจนเกิดปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมีงาน2องงานงานแรกการฝึกจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาเนี่ยทำอย่างไรบทเรียนในการทําจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาเนี่ยคือบทเรียนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตสิกขา เคยได้ยินไหมศีลสิษยาจิตสิกยาปัญญาศิกขาสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้นะจะต่างกับที่พวกเราบางคนเข้าใจนะทุกวันนี้มีคนเอาคําว่าดูจิต ด, ดูจิตนะไปใช้เยอะแยะเลยเาไปสอนดูจิตกันเต็มบ้านเต็มเมืองแนละเมื่อ30ปีก่อนไม่มีคนรู้จักหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตขึ้นมาเรียนจากหลวงปู่แล้วมาพูดพูดคนมาฟังฟังขึ้นมานะเดี๋ยวนี้พูดเรื่องดูจิตกันเต็มไปหมดเลย ส่วนใหญ่ไม่ใช่การดูจิตในแนวทางของพระพุทธเจ้าหรอกส่วนใหญ่จะไปดูตัวจิตไปรักษาจิตไปควบคุมจิตไปดัดแปลงจิตถ้าเมื่อไรคิดว่าดูจิตนั่นคือการควบคุมจิตรักษาจิตดัดแปลงจิตแล้วก็ไม่มีทางขึ้นวิปัสสนากรรมฐานเลยมิวิปัสสนากรรมฐานคือการรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงหเห็น จิตมันเป็นอะไรหเห็นจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะั่นถึงเรียกว่าดูจิตเป็นนะงั้นไปดูตัวจิตแล้วจ้องจิตนิ่งๆอยู่ไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรอกขั้นแรกเลยการที่จะมาฝึกให้จิตมีความพร้อมสําหรับการเจริญปัญญาเนะี่ยการเจริญปัญญาคืออะไรการเจริญปัญญาคือการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่เองของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรา มาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองงั้นจิตที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเองได้เนี่ยขั้นแรกสุดนะต้องไม่ลืมตัวเองจิตของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันสนใจคนอื่นมันสนใจสิ่งอื่นมันไม่สนใจตัวเองตื่นนอนมาก็คิดเรื่องคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองง้เราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่จะ เดินปัญญาได้นะต้องรู้เน้อรู้ตัวอยู่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนทั่วไปในโลกหรือสัตว์ทั้งหลายกระทั่งเทพพรหมอะไรทั้งหลายที่ไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญานะเนขาทำความดีเขาเป็นเทวดาเป็นพรหมได้แต่เขาไม่รู้จักวิธีที่จะมาฝึกจิตให้เกิดปัญญานะไม่รู้จักจะทำไงให้จิตรู้จักแต่วาในจิตสงบ งั้นเวลาพวกเราคิดถึงการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าทำไงจิตจะสงบคิดอยู่แค่นี้เองหรือถัดจากนั้นเนะี่ยทำไงจิตจะดีทำไงจิตจะมีความสุขเรามุ่งเอาอะไรมุ่งเอาความสุขความสงบความดีความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเราไปเอาของที่เกิดแล้วก็ดับเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาของเป็นที่พึ่งไม่ได้มาเป็นที่พึ่งเราก็ไม่มีที่พึ่ง นะล้วเราต้องมาพยายามมาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าให้มันลืมตัวเองไปจิตที่มันลืมตัวเองล่องลอยไปลืมตัวเองตลอดเวลาคนในโลกนี้ลืมตัวเองตลอดเวลาคนอื่ออนทําอะไรที่ไหนรู้หมดเลยนะดาราคนไหนทําอะไรรู้หมดเลยแต่ตัวเองขณะนั้นจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ไม่รู้หายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้ อยู่ในอิริยาบถอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยใจมันหนีไปอยู่ที่อื่นใจมันหนีไปคิดถึงคนอื่นหนีไปดูที่อื่นหนีไปฟังที่อื่นเวลาจิตมันหนีไปหาอารมณ์ภายนอกนะหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสจิตมันหนีออกไปในขณะที่จิตมันหนีออกไปนะมีกายก็ลืมกายมีจิตก็ลืมจิตงั้นเราจะต้องมาหัดนะให้จิตเนี่ยไม่ไหลออกไป โดยท kh ี่ without, ơi, ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับให้ผิดอีกจิตที่จะใช้เดินปัญญาได้เนี่ยอันแรกต้องไม่ลืมตัวเองมีกายไม่ลืมกายมีใจไม่ลืมใจอันที่สองต้องไม่บังคับกายไม่บังคับใจถ้าเราบังคับกายกายก็จะผิดความจริงถ้าเราบังคับใจใจก็จะผิดความจริงเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้งั้นเราต้องไม่เผลอไปในขณะเดียวกันก็ไม่เข้ามาบังคับกายบังคับใจ นับปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเวลาที่ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติก็เผลอไปเลยลืมตัวเองไปเวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็เริ่มบังคับตัวเองนะต้องเดินท่านี้บางคนเรื่องมากกว่านั้นอีกนะไม่ใช่แค่เดินท่านี้ต้องเดินตรงนี้ เ, นเดินที่อื่นนอกทางจงกรมไม่ถือว่าเดินจงกรมดูอุตรินะไม่ใช่อุตริเราเรียกเพี้ยนหนักนะที่จริงถ้าเดินเป็นทุกก้าวที่เดินมีสติอยู่ ทุกก้าวที่เดินนะเดินตรงไหนก็ได้เดินในห้างสรรพสินค้าก็ได้นะในศูนย์การค้าก็ได้เดินด้วยความีสติอยู่เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมของตัวเองเคลื่อนไปอยู่ก็ถือว่าเดินจงกรมอยู่ละนี่พอเราคิดถึงการเดินจงกรมเราก็เริ่มบังคับตัวเองบังคับกายก่อนต้องเดินท่านี้ถ้าเวลาจะนั่งสมาธิก็บังคับร่างกายนีต้องนั่งท่านี้จะเดินก็ต้องเดินท่านี้มีกระบวนท่า พอบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็จะบังคับจิตใจนะไม่เชื่อทดลองดูก็ได้นะต่อไปนี้ให้พวกเรานั่งสมาธิอย่างที่เคยนั่งอา้าวนั่งสีลองดูสักใช้เวลาเล็กน้อยขยับไหมทําไมต้องขยับเพราะนั่งอยู่ตอนเนี้นั่งสมาธิไม่ได้ต้องอย่างนี้ถึงจะนั่งสมาธิไดไม้มันไม่ได้อยู่ที่กระ บ, บวนท่ารนะอยู่ที่จิต จิตของเราอยู่รู้เนื้อรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะสิ่งที่เราทำนะคือบังคับกายพอบังคับกายเรียบร้อยก็บังคับใจบางคนบังคับให้เคลิ้มเคลิ้ม <c oughs> <c oughs> มันมีแต่เรื่องการดัดแปลงเมื่อไหร่มีการดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะกายก็ลำบากใจก็ลำบากสังเกตไหมเดินชอปปิง้งเดินได้หลายชั่วโมง เดินจงกรมเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยลนะเพราะหไรบังคับตัวเองมากนั่งทำอะไรนะนั่งได้นานมารู้ลมหายใจหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยพอมารู้ลมหายใจจะปฏิบัติแล้วหายใจแป๊บเดียวเหนื่อยเลยเพราะอะไรเพรบังคับตัวเองนักปฏิบัติเนี่ยนะเวลาไม่ปฏิบัติก็ลืมกายลืมใจเวลาลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจ สองสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบันพชิตหมอันนี้รวมถึงนักปฏิบัติด้วยบันพชิตไม่ควรเสพสิ่งหนึ่งก็คือการสุขการิการนิโยค ก, การปล่อยใจตามกิเลสไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรเพลิดเพลิน ล, ลืมกายลืมใจอันหนึ่งคืออัตตะกิลมฐานยุโยกบังคับกายบังคับใจพอบังคับนะ่ะกายก็ลำบากใจก็ลำบากกายก็อึดอัดใจก็อึดอัด วิธีการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกให้เกิดถ้าเราคิดว่าทำยังไงจิตจะรู้ตื่นเบิกบานเข้าสู่ทางสายกลางอันนั้นเข้าใจผิดแล้ววิธีที่เราจะรู้ได้ถูกต้องนะอยู่ตรงที่เรารู้ทันตรงที่มันผิดเมื่อไรรู้ว่ามันผิดเมื่อนั้นมันจะไม่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นมันถูก เมื่อไรอยากให้ถูกแล้วจงใจทําให้ถูกกลายเป็นการทําอีกละเป็นอัตตะกิลมัถานิโยอีกละบังคับตัวเองอีกละงั้นถ้าพวกเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะให้สมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าหนะ่อยทุกวันแบ่งเวลาไว้หน่อยหลวงพ่อไม่ขอเวลาเยอะหรอกขอสัก15นาทีนะวันหนึ่งสิบห้นาทีเนี่ยให้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องสวดยาวไม่ต้องสวดปาติโมกข์ปฏิโมกข์อะไรไม่เกี่ยวนะ ส่วนชินบัญชรอะไรก็ยาวไปเอาอารหังสัมมานโมตัสสะอิติปิโสภควาอะไรพวกนี้แหละไม่กี่บทนี้แหละใช้เวลาส3นาทีพอเวลาที่เหลือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยคนไหนถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจ คนไหนถนัดดูท้องฟองยุบก็เห็นร่างกายฟองยุบคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เห็นร่างกายเดินฟังให้ดีนะภาษาที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อว่าไม่ได้บอกว่าถนัดรู้ลมหายใจให้ดูลมหายใจนะหลวงพ่อใช้คําว่าถนัดรู้ลมหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นรูปนี้มันหายใจอยู่ถนัดดูท้องฟองยุบไม่ได้ให้ดูที่ท้องนะให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันพองมันยุบอยู่ สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะพวกเราถ้าไม่ได้เล่นกรรมฐานมากๆบางทีแยกไม่ออกอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจทดสอบสิพวกเราลองดูลมหายใจของตัวเองดูลมหายใจตัวเองตั้งใจหน่อยนะอ้าเริ่มอ้าพอนะจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะยิ้มหวานๆก่อนเพื่อให้ลืม ให้จิตมันหลุดออกจากอาการที่ไปติดอย่างตะกี้นี้จาอารมณ์ตะกี้ได้ไหมตอนที่เรากำนดลมหายใจเราเพ่งลมหายใจไหมใจมันทื่อๆรู้สึกไหมตอนไปนี้เปลี่ยนใหม่เห็นร่างกายนี้หายใจด้วยใจที่สบายๆ ย, ยิ้มหวานๆก่อนขั้นแรกยิ้มอย่างมีความสุขนะเหมือนได้ยินข่าวแล้วว่าเมืองไทยไม่ตีกันแล้วต่อไปนี้มีความสุขนะเศรษฐกิจก็ดีคาร์บอนก็ไม่มีแล้วนนะ พระใจเราคลายออกนะเราใช้จิตใจที่คลายเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นทั้งตัวเนี่ยกำลังหายใจอยู่ด้วยใจที่สบายๆลองดูให้เวลาดูออกไหมว่าใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตอนที่ไปเพ่งลมรู้สึกไหมไอ้ที่เพ่งลมนะขอร้องเถอะเลิกเถอะหลวงพ่อเล่นมาตั้งแต่เด็กนะ รู้เลยว่ามันใช่หรอกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราเพ่งใส่ลมหายใจนะบอดูคราฟิกสูตทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวอะไรหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวนะใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกยาวนะใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจ เข้าใจเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้ดูร่างกายสบายๆนะใจมันเป็นคนรู้ออกมาเนี้ยในเวลาไม่นานเลยเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะงั้นไปฝึกนะทุกวันไปฝึกหายใจอย่างที่บอกนี่แหละถ้าไม่ถนดัดหายใจจะดูท้องพองยบก็ได้นะแต่ดูไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆ เราจะได้ใจที่โปร่งโล่งเบานะความรู้สึกตัวมจะเกิดแล้วถ้าหากว่าใจมันหนีไปเช่นเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆใจหนีไปคิดให้รู้ว่าใจหนีไปคิดอย่าไปห้ามมันนี่คือการดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธินะดูจิตเนี่ยทำได้หลายอย่างอันนี้คือการดูจิตเพื่อจะให้เกิดสมาธิแต่ว่าไม่ว่าทำสมาธิด้วยรูปแบบอะไรนะก็ทิ้งจิตไม่ได้ เพราะอะไรอย่างรู้ลมหายใจใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ดูท้องพองยุบใครรู้จิตรู้เดินจงกลมใครรู้จิตรู้แ้วเรามาฝึกจิตให้เป็นคนรู้นั่งหายใจไปสบายใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจแล้วถ้าใจมันหนีไปคิดไม่ห้ามแต่ให้รู้ว่าใจหนีไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะทุกวัน การที่เรามีใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ไปเพ่งไม่ง้เราจะไปเพ่งลมหายใจจิตจะอึดอัดทันทีเลยเพ่งลมหายใจหรือจะเพ่งท้องจิตก็อึดอัดแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพองยบเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตจะไม่อึดอัดแล้วถ้าจิตหนีไปหนีไปคิดให้รู้ทันจิตหนีไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทันจิตหนีไปเพ่งท้องให้รู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตไหลไปอยู่ที่เท้าแล้ว ให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปที่ไหนให้รู้ทันไว้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิดจิตจะนีคิดทั้งวันเลยให้พวกเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดตัวเนี้ตัวสําคัญมากเลยนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั้นจิตรู้ไม่มี ถ้าจิตรู้ไม่มีจะเอาอะไรเป็นคนรู้กายจะเอาอะไรเป็นคนรู้เวทนาจะเอาใครไปรู้สังขารปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่มีตัวรู้ต้องฝึกจนมันมีตัวรู้ขึ้นมาวิธีให้ได้ตัวรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำสบายๆเช่นเห็นร่างกายหายใจไปอย่างเงี้ยดูสบายๆแล้วใจหนีไปเรารู้ใจหนีได้สองแบบหนีไปหาอารมณ์เช่นหนีไปคิดเป็นส่วนใหญ่ กับหนีไปเพ่งหนีไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานที่เราทําอยู่นั่นแหละรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอย่งนั้นหมดอ่ะจิตมันหนีได้2อย่างนะหนีไปหาอารมณ์ส่วนใหญ่จะหนีไปคิดหนีไปดูหนีไปฟังอะไรก็มีนะส่วนใหญ่จะหนีไปคิดให้เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐาน เมื่อใดที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้นั้นสั่งให้เกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่อาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีสองปีมานะคุณแม่จันดียังมีชีวิตยอยู่น้องสาวลงตามมหาบัวหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านทีหนึ่งท่านถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนา ม, มาแบบไหนจิตมาลงที่เดียวกันใช่ไหมาอย่างนี้นะ เล่าให้ท่านฟังบอกหลวงพ่อหายใจหายใจนะจนกระทั่งล ม, มละเอียดนะกายเป็นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนกะายเป็นแสงพอเป็นแสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปเรารูจิตเคลื่อนไปเรารู น, รารนะท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุโทโธท่านพุโทโธเนี่ยท่านกำหนดจิตอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองพุโทโธพุโทโธไปสบายนะจิตเคลื่อนเรารูจิตเคลื่อนเรารู้รรมหลักอันเดียวกันเพราะันหลักเนี่ย ไม่ใช่บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนหลักในการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดสมาธิที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ว่าจิตเคลื่อนเรารู้ส่วนใหญ่ใจจะนีไปคิดหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดสักครู่หนึ่งห้ามพวกเราคิดห้ามคิดน ะ, ะจะหยุดพูดล้เห็นไหมมันคิดได้เองดูออกอยังอย่าไปห้ามให้ยากเลยเพราะจิตมีหน้าที่คิด ดูออกไหมจิตมันคิดได้เองไม่ได้เจตนาจะคิดนะเจตนาจะไม่ให้คิดมันก็คิดนะบางคนไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธจะไม่ให้คิดพุทโธนั่นแหละคิดแหละก็คิดพุทโธนั่นแหละหรือคิดว่าทํำยังไงจะไม่คิดอยากคิดนะอย่าคิดนะคิดเรียบร้อยแล้วจิตมีหน้าที่คิดแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเวลาจิตคิดนะมันจะหลงมันจะลืมตัวเองถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิด จำหลักให้แม่นนะแล้วเราจะได้จิตรู้โดยที่ไม่เหนื่อยยากอะไรเลยแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้ก็เกิดขึ้นมานี่แหละดูจิตดูจิตอย่างนี้ทำให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเมื่อจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วนะเราก็มาเดินปัญญาต่อการจะเจริญปัญญานะทำได้หลายอย่างถนัดรู้กายเราก็เห็นกายสแสดงไตรลักษณ์ถนัดรู้เวทนาเราก็เห็นเวทนาสแสดงไตรลักษ ถนัดรู้จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วเห็นจิตสังขารแสดงไตรลักษณ์ถนัดรู้อะไรเราก็ดูตัวนั้นแนะแสดงไตรลักษณ์ง้สิ่งที่เราดูนะคือดูไตรลักษณ์นะไม่ใช่ดูตัวนั้นหรอกงั้นการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะหลักอยู่ตรงนี้นะงีบางคน้วเข้าใจผิดว่าเจริญปัญญ า, านะเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตพะทเจ้าไม่ได้สอน อาจารย์บางท่านท่านสอนเพราะว่าท่านเคยทำอย่างนั้นแล้วมันได้ผลดีท่านก็สอนแต่คนที่ไม่ถูกจริตจากการดูกายจะต้องให้ดูกายก่อนดูอย่งไงก็ไม่สมเด็จหรอกสติปัฏฐาน4นะเหมือนประตูเมืองสีทิศเข้าประตูไหนก็เข้าเมืองได้ดูกายก็เห็นอะไรเห็นความเป็นใจรักของกายใครเป็นคนเห็นใจเป็นคนเห็นหมรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจดูเวทนาล่ะ เวทนาเป็นนามารมใครเป็นคนเห็นใจเป็นคนเห็นเวทนาเกิดได้ยังไงเวทนาเกิดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เวทนาเกิดเมื่อใจคิดปรุงแต่งก็เกิดอาศัยกา ย, ายอาศายัยใจนะไม่งั้นดูกายก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจดูเวทนาก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจดูจิตก็เหมือนกันชิตจะดีจิตจะชัว่วก็อาศายัยผัสสะมีการกระทบมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะใจทํางานต่อว่าปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมา หรือใจมันคิดขึ้นมาก็ปรุงดีปลุงชั่วขึ้นมาก็อาศัยรูปนามนั่นเองเพราะฉั้นในสติปัฏฐาน4นะั้นนะไม่ว่าเราจะทําในฐานใดนะเราก็เห็นทั้งรูปทั้งนามถ้าดูกายแล้วมีแต่กายอันเดียวไม่มีจิตนะไอ้นั้นคือการเพ่งกายคือการเพ่งกับสินนะ ไ, ได้สมถะไม่มีอย่างอื่นเลยคือสมถะหรือดูจิตแล้วก็ไปเพ่งอยู่ที่จิตไม่รับรู้โลกภายนอกเลยไอนั้นก็สมถะเหมือนกัน วิธีที่จะเจริญปัญญานะถ้าถนัดดูกายนะก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูถ้าถนัดดูเวทนาเราก็เห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความทุกข์ความสุขต่างๆอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปถ้าถนัดดูสังขารจิตสังขารเราก็เห็นนความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่ง ตามองเห็นก็เกิดความดีความชั่วหูได้ยินเสียงเกิดความดีความชั่วขึ้นมาตามมาจริงกนะ็จะเห็นนะมันจะมีทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละถนัดอะไรก็ตัวนั้นนะนี่หัวข้อวันนี้ให้หลวงพ่อพูดเรื่องรู้ใจเราะั้นจะมาพูดมากหน่อยในเรื่องการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตใจการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยไม่ใช่การเพ่งจิต เขบอกแล้วว่าการเจริญวิปัสนากรรมฐานนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ังั้นการจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตก็ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าเห็นแต่จิตเฉยๆไม่เรียกว่าวิปัสนากรรมฐานเหมือนกับเห็นท้องผ่องยุบเนี่ยไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานเห็นลมหายใจไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานต้องเห็นรูปนามนั้นนะเป็นไตรลักษณ์นะรูปที่หายใจอยู่เป็นไตรลักษณ์ รูปที่พองยุบอยู่เป็นไตรลักษณ์ใจที่เป็นคนรู้เป็นไตรลักษณ์นี้นี่ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่การเห็นรูปนามแต่วิปัสนาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามการจะดูจิตให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตโดยตัวของมันเองไม่มีรูปร่างเราไม่สามารถสังเกตตัวจิตได้จิตไม่มีรูปร่างแทบจะไม่แสดงร่องรอยให้เราเห็นเลยเหมือนกับ ตัวล่องหนได้หายตัวได้นะหาตัวมันไม่เจอวิธีอย่างสมัยคนโบราณเขาสอนกันนะว่าคนมันหายตัวมาเนี่ยเข้ามาในห้องเราได้ยินเสียงเดินเราไม่ได้เห็นตัวคนโบราณจะเอาแป้งเนี่ยนะสเข้าไปเอาแป้งก็ไเกาะตัวมันถึงมองไม่เห็นตัวมันแต่ก็รู้ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะการจะรู้จิตก็เหมือนกันเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้นะจิตมันหายตัวได้ มันไม่มีตัวนั่นแหละเราดูจากสิ่งที่มาประกอบกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกเราจะพบว่าจิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเป็นกุศลจิตบางดวงเป็นอกุศลจิตบางดวงก็เป็นแค่กุศลธรรมดาจิตบางดวงมีกุศลในขั้นมีปัญญาจิตแต่และดวงจะไม่เหมือนกัน งัเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆดูตัวจิตตรงๆจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะมองไม่เห็นเราดูผ่านเวทนาดูผ่านสังขารดูผ่านความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตที่เรียกว่าจิตสังขารดูจิตสังขารสังขารของจิตร่างกายของจิตนั่นเองหรือตัวเจตสิกทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นการดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่การไปดูตัวจิตแล้วรักษาตัวจิตไว้เฉย หลายคนนะเที่ยวสอนดูจิตนะแล้วก็อ้างหนังสือหลวงปู่ดุลด้วยพวกเราใครเคยอ่านหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมมีน้อยมากไม่ค่อยได้อ่านอ่านอ่านสักบ้างนะแต่อ่านแล้วก็ต้องรู้นะว่าอันนั้นคือลักษณะจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตพวกเราหรอกมันเป็นผลหนังสือคือจิตคือพุท ธ, ธละล้วจิตไม่มีอะไรเลยบอกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สําคัญ สำคัญทำไมจิตพระละหันไม่ต้องใช้ศีนสมาธิปัญญาแล้วจิตไม่มีการไปไม่มีการมานะไม่มีการจุติไม่มีการเคลื่อนไหวภายนอกไม่มีรูปรักษภายในไม่มีความเคลื่อนไหวนะไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีจุดไม่มีดวงเนี่ยพอเราไปอ่านนะนั่นคือจิตพระละหันไม่ใช่จิตพวกเราเราก็เพ้อบางคนปฏิบัตินะมาบอกหลวงพ่อว่าหานดูจิตตามแนวหนังสือจิตคือพุทธะอกผิดแล้วล่ะ นั้นคือผลต้องทําเหตุการจะดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องดูนะหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนหลวงปู่ดูลย์เองวิธีดูจิตให้มีปัญญาแลท่านสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตา อันนี้ท่านเลือกมาสอนหลวงปู่ดุลความจริงการดูจิตเนี่ยถ้าจะให้เต็มรอบเลยนะมีเวทนาอีกตัวหนึ่งทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านเลือกนะเอาส่วนเดียวส่วนสังขารกับสัญญามาสอนหลวงปู่ดุล สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอย่างพวกเราถ้าจะหัดดูจิตให้เกิดปัญญาล้วก็ดูไปเลยรู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างมีไหมเอางี้ดีกว่าใครไม่เคยโกรธมีไหมใครจะโกหกว่าไม่เคยโกรธแล้มีไหมหลับไปหมดยัง <c oughs> สังเกตไหมตอนหัวเราะใจคลายออกรู้สึกไหมใจมันคลายออกใจที่เบิกบานก็เป็นสังขารอันหนึ่งนะ ใจมันมีความสุขมีสมนัตมีความแช่มชื่นแจมันคลายนะเวลาใจมันซึมรู้จักไหมใจซึมใจเศร้าโศกรู้จักไหมใจกงังวลรู้จักไหมกังวลกลัวเป็นไหมกลัวอิจฉาล่ะใครเคยอิจฉาบ้างยกมาสิเดี๋หลวงพ่อจะดูพระจริงๆพระก็อิจฉาเป็นนะใครๆก็เคยเป็นทางนั้นแหละ พวกเรารู้จักทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าตัวสังขารนะโลภโกรดหลงอะไรเนี่ยสังขารทั้งหมดเลยนะราคาตัวสามโมหะอิจฉาฟุ้งซ่านพยาบาทโหดหูเซง็งเบือ่อเนะีเลี่ยนอนะไรเงี้ยเลี่ยนในความรู้สึกนะไม่ใช่ลถเลี่ยนเลี่ยนน ะ, ะถ้รถเลี่ยนเป็นลถความรู้สึกเอียนนะอยู่ในใจนะความรู้สึกอย่างนี้แหละที่เรียกว่าสังขารเราจะเห็นว่า ปะเดี๋ยวจิตนะก็ดีประเดี๋ยวจิตก็ร้ายหรือบางทีจิตก็มีความสุขประเดี๋ยวจิตก็มีความทุกข์รู้จักทุกข์ใช่ไหมรู้จักสุขใช่ไหมรู้สึกไหมประเดี๋ยวก็มีความสุขประเดี๋ยวก็มีความทุกข์วันนี้เบิกบานวันนี้เศร้าหมองเนี่ยการดูจิตเนี่ยเราดูแบบนี้แหละเราจะเห็นเลยว่าจิตตอนนี้เบิกบานจิตตอนี้เศร้าหมองจิตตอนี้สุขจิตตอนี้ทุกข์จิตตอนี้ดีจิตตอนนี้ไม่ดีจิตตอนี้โลภจิตตอนนี้ไม่โลภ จิตตานิโกรดจิตตานิไม่โกรดจิตตานิหลงจิตตานิไม่หลงจิตตานิฟุ้งซ่านจิตตานิหดหูนี่เราจะดูอย่างนี้เราอาศัยดูผ่านเจตสิกคือธรรมะที่มาประกอบจิตก็เลยทำให้เห็นว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป จิตที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตโลภหลดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยการดูจิตให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ไปจ้องจิตให้นิ่งให้ว่างบางคนสอนกันเลยว่าวิธีดูจิตที่ถูกต้องนะคือรักษาจิตให้นิ่งว่างอยู่ภายในนิรันดร์บอกว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลด้วยเป็นไปได้ว่าเรียนจากหลวงปู่ดุลแต่มันขั้นอนุบาลขั้นเด็กๆนะ สำหรับพวกฟุ้งซ่านยังไม่มีสมาธิเลยจิตชอบออกนอกท่านเลยบอกให้เข้ามาข้างในเข้าข้างในได้แล้วต่อไปค่อยพัฒนาต่อยังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาก็ต้องเดินอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลัณนั่นแหล ะ, ะเห็นเลยจิตสุกเกิดแล้วก็ดับจิตทุกเกิดแล้วก็ดับจิต ด, ดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธโลงเกิดแล้วก็ดับอย่าไปดูเพื่อแทรกแสงนะถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ดูเพื่อให้สงบนะ จิตฟุ้งซ่านก็ดูให้เห็นว่าจิตมันกำลังฟุ้งซ่านเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันก็ดับของมันเองนะก็แฟลจิตสงบขึ้นมาถ้าจิตสงบอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูเพื่อรักษาความสงบเอาไปนะไม่ต้องไปรักษามันเราจะดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันนี่เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงมันถ้าแทรกแซงเมื่อไหร่เป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกปล่อยให้มันทํางานแต่ถ้าไม่เห็นมันทํางานก็เป็นกามสุขาริกานุโยกนะสุดตรงไปข้างหลง ถ้าเข้าไปแทรกแสงก็เป็นอัตตะกิลมฐานิโยกเราจะดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละคือทางสายกลางไม่หลงไปแล้วก็ไม่เพ่งไว้ไม่บังคับไว้พวกเรารู้จักทุกคนเลยนะจิตสุขเป็นไงเราก็รู้จิตทุกเป็นไงเราก็รู้จิตดีจิตชั่วน า, นานาชนิดเราก็รู้หัดรู้บ่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงหรอก จิตดีก็อยู่ชั่วคราวจิตชั่วก็อยู่ชั่วคราวจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกชนิดอยู่ชั่วคราวเห็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำไปนี่แหละคือการเห็นความเกิดดับของจิตจะเห็นผ่านเจตสิกผ่านธรรมที่ประกอบจิตอย่าไปดูตัวจิตตรงๆอย่างบางคนพอคิดถึงการดูจิตจ้องใส่จิตเลยอ้าวหนึ่งอสต่อไปนี้จะดูจิตนะสจ้องปึ๊กลงไป ว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยดูจิตแบบนั้นจะไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากความว่างใช้ไม่ได้เลยกลายเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่การดูจิตแบบมีปัจจนากรรมฐานถ้ารู้จิตอย่างมีปัจจนากรรมฐานก็คือจิตมันเกิดความสุขขึ้นมารู้ว่าจิตสุขมีอยู่จิตที่สุขหายไปหรือดีกรีของความสุขลดลงเราเห็นมันลดลงมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลง จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนั้นแหะถึงวันหนึ่งนะเมื่อปัญญาของเราพอแล้วบุญปารมีเราพอแล้วนะอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นเองอริยามรรคจะเกิดขึ้นตรงที่มันเห็นแจ้งนะว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราในบรรดาขันท่าทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตของเราเองนี่เอง ลำพังการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นของง่ายง่ายอย่างยิ่งเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีเฉพาะในคําสอนของท่านนี้แหละที่จะพาให้เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเนีนเราจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็าใช้วิธีเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ง่ายๆนะจิตมันมีความสุขก็รู้นะจิตที่สุขหายไปก็รู้จิตกลายเป็นจิตเฉย เฉยๆอยู่ช่วคราวหายไปก็รู้นะกลายเป็นจิตทุกข์ขึ้นมาเป็นจิตดีขึ้นมาเป็นจิตชั่วขึ้นมายัางอยู่บ้านอยากฟังเทศนะอยากฟังเทศนะมีฉันทะอยากฟังธรรมถือว่าเป็นกุศลนะนะไม่ใช่อยากทุกอย่างเป็นอกุศลหมดนะอยากในทางดีเขาเรียกว่าฉันทะนะอยู่บ้านอยากฟังเทศก็มาที่นี่มาฟังได้นิดหน่อยอยากกลับบ้านเนี่ยฉันทาหมดแล้วอันนีนะ้ถือว่าขี้เกียจละ ใชนะจิตมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็อยากฟังทำตอนนี้ไม่อยากฟังอีกแล้วนะหรือเรามีแฟนสักคนใช่ไม้มเรามีแฟนใหม่ๆเจอหน้าแล้วมีความสุขพอแต่งงานอยู่ด้วยกันนานๆ น, น, นะเห็นหน้าแล้วเลี่ยนเลี่ยนเยนบือ่อนะใครเป็นไม่ต้องยกมือนะอันตรายอันตรายมากเลยนะเรื่องนี้ไม่มีอายุความเลยนะเราเลี่ยนเราก็รู้อยู่ภายในนะให้เห็นว่าเลี่ยนนี้ก็ไม่เที่ยง อ, อย่างนี้นะ พออยู่ไปนานๆนะทาใจได้ต้องอยู่กับอีแก่นี่ตลอดไปแล้วละ่ะหนีไม่ได้แนละ้วดูไปดูไปมันก็ดีเหมือนกันนะมันคนบันทนคนชั่วยอย่างพวกเราอย่างเราได้ตั้งนานเขาก็มีดีเหมือนกันเนะี่ยอยู่กันอย่างอุเบกขาไปทีแรกอยู่แบบรักนะรักสักพักหนึ่งอยู่แบบเบือ่อเนี่ยโทสะใช่ไหมโทสะทจะจำเป็นต้องอยู่กันเป็นนานๆนะแกพี่อุเบกขาเนี่ยใจเราเปลี่ยน แต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่นานอย่างนั้นนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูช่วงยาวๆได้นึกภาพตามได้ในความเป็นจริงแล้วใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตื่นนอนมาเช้าๆสดชื่นใสๆหงุดหงิดก็มีใช่ไหมแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยมีแต่ของห้ามไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้ตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าเห็นอนิจจัง ตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้เนี่ว่าเห็นอนัตตาอย่างจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาถ้าใครห้ามได้ก็เข้าใจผิดแล้วนีจิตจะสุขเนี่ยสั่งให้สุขไม่ได้มันสุขของมันเองจิตจะทุกข์ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็จะทุกข์ของมันเองจิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้นะมันเป็นเองเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อดัดแปลงจิต จำไว้นะทุกวันนี้มีคนแอบอ้างมากเลยว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อไปสอนเปิดคอสไปเปิดสอนที่นูนที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะสอนวิชาดัดแปลงจิตต้องรู้เลยนะว่าไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อประมุ่แน่เลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระเจ้าไม่ได้สอนให้ดัดแปลงจิตนะท่านสอนให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงงนะั้นถ้าเราไปฝึกจิตเพื่อจะให้จิตดีจิตสุขจิตสงบไม่ใช่แล้วล่ะนะมันผิดหลักแล้ว ตอนนี้จิตสุขหรือจิตทุกข์ดูออกไหมใครรู้สึกทุกข์บ้างยกมือสิใครรู้สึกสุขใครรู้สึกเฉยๆฉยใครไม่มีความรู้สึก <c oughs> พวาไม่มีความรู้สึกคือพวกที่ไม่รู้ที่จริงความรู้สึกมีตลอดเวลาสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยจะหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาถ้าเราดูจิตมากมายไม่เป็นนะดูมันแค่นี้แหละดูเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยมันหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะ เราจะเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เองนะถ้าคนไหนขี้โมโหคนไหนขี้โมโหบ้างยกมือสิในหลวงพ่อจะสํารวจประชามติขี้โมโหโอ้พระท่านยกสูงกว่าเพื่อนเลยนะคนไหนขี้โลภ บ, บ้างคนไหนเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยมีไหมเห็นแฟนชาวบ้านก็สวยอย่างเงี้ยนะคนไหนฟุ้งซ่านยกมือซิอ่ตอบถูก โมหะเนี่ยจะมากกว่าทุกอย่างนะจิตหลงเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเยอะที่สุดเลยถ้าจิตไม่มีโมหะเนี่ยจิตจะไม่มีราคาจิตจะไม่มีโทสะต้องโมหะก่อนจิตที่มีราคาเนี่ยก็ต้องประกอบกับโมหะจิตที่มีโทสะก็ประกอบกับโมหะคนไหนเป็นพวกขี้โมโหโมโหบ่อยกรรมฐานที่เหมาะของเราก็คือใช้บทนี้ว่าดูพระภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะ ให้รู้ว่ามีโทสะใช้บทนี้นะคนไหนขี้โลภดูครับพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโลภให้รู้ว่ามีโลภคนไหนฟุ้งซ่านดูครับพิสูจน์ทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะรู้อย่างนี้แหละคนไหนโมโหบ่อยมันก็จะเห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะโกรธใครมันก็โกรธตัวเองเคยโกรธตัวเองไหม <c oughs> เนี่ยยิ้มหวานเลยบางคนโกรธ <c oughs> ไมู่้จะเกรดใครเมืม่อโกรธตัวเองเคยรู้สึกรักตัวเองมากไหมแบบส่องกระจกแล้อ้สวยจังเลยเพื่อนมาดู3วันสมคืนไม่เห็นมันสวยตรงไหนเลยนะเธอตาไม่ถึงนี่เธอไม่เห็นเหรอขนคิ้วของฉันเส้นนี้สวยนะบนี่อุปสาร์สวยอยู่ที่ขนคิ้ว1เส้นสวยงามพวกที่มันรักสวยรักงามนะั้นส่องกระจกดูปลื้มตัวเองนะไม่ห้ามหรอกส่องไปเถอะ แต่รู้ทันว่าใจกําลังปลื้มตัวเองอยู่ใจรักตัวเองอยู่แค่นี้เองนะเคยทําอะไรก็ทําไปนะถ้าไม่ผิดศีลห้าเราก็เคยทําอะไรก็ทําไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเองคนไหนขี้โมโหก็เห็นเลเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายคนไหนขี้โลภก็เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็เลิกชอบไปใจเปลี่ยนเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะ คนไหนฟุ้งสร้างเก่งก็ค่อยรู้ทันฟุ้งไปแล้วไม่ต้องว่าเขานะไม่ใช่ว่าฝึกไม่ให้ฟุ้งนะฟุ้งได้อฟุ้งเรารู้ฟุ้งเรารู้ฝึกนี้คนไหนหดหูมีไหมเป็นโรคหดหูคนรุ่นเราเนี่ยเป็นเยอะนะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมากเลยแล้วต่อไปแนวโน้มจะสูงขึ้นเพราะว่าครอบครัวของพวกเราเนี่ยแตกสลายไปหมดแล้วนะเราอยู่ตัวคนเดียว บางทีก็ลูกโตขึ้นไปแล้วอยู่กับ2 ต, ตายายตายเป็นหนึ่งเนะี่ยหลือคนเดียวก็คุยกับหมาคุยกับแมวคุยกับต้นไม้แนละ้วใจซึมเศร้าถ้าเราวันหนึ่งก็มีแต่ซึมเศร้าตื่นขึ้นมาก็เนี่ย <Yeah. S 1> นะเศร้าเศร้าตลอดเลยนะอย่าหมวแต่อ้อยสร้อยอ้อยอีกให้รู้ทันว่าใจกาลังซึมเศร้าเนี่ยใจกล้ากล้านะดูมันก็ไปตรงตรงเลย ไม่โกรธอยู่ก็ดูเข้าไปมันมันทุกข์อยู่มันสุขอยู่นะมันดีอยู่มันชั่วอยู่ดูไม่เข้าไปความรู้สึกทั้งหลายนะมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นบ่อยๆนะสุดท้ายจิตจะเกิดปัญญามันสรุปของมันเองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเหราะฉะนการดูจิตเนี่ยก็ไม่หนีหลักของไตรศึกขา ดูจิตก็ต้องมีศีลดูจิตก็ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวดูจิตก็ต้องเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าดูจิตแล้วเห็นแต่ตัวจิตไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าดูจิตไม่เป็นไปเพ่งจิตว่างๆไปใช้อะไรไม่ได้หรอกพอเข้าใจยังสรุปนะสรุปทุกวันต้องถือศีลห้าตั้งใจแวะ ตื่นนอนมาตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าก่อนกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวกลางวันก่อนกินข้าวเย็นแล้วก็ก่อนนอนตั้งใจว่าจะรักษาศีล5เอาให้ได้เลยเวลาห้ารอบนะเตือนตัวเองบ่อยๆว่าจะรักษาศีล5้าเวลาจะทําผิดศีล น, นะมันจะละอายใจจําได้ไม่กล้าทําคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆแล้วต่อไปก็คอยสังเกตจิตใจของตัวเองคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบ ง, งําจิต มันทำผิดศีลได้เพราะความโกรธครอบงําก็ผิดศีล5้ข้อได้เพราะความโลภครอบงําก็ผิดศีลทั้ง5้ข้อได้เพราะความหลงครอบงําก็ผิดศีล5้ข้อได้ถ้าเราดูจิตเป็นเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันแนละกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่คือกฎของธรรมะเมื่อกิเลสดับศีลอัตโนมัติจะเกิดนี่คือวิธีรักษาศีลอัตโนมัตินะ เบื้องต้นตั้งใจรักษาไว้ก่อนแต่เบื้องปลายนั้นมีสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงาศีลอัตโนมัติจะเกิดเนี่ยดูจิตดูให้รู้ทันกิเลสนะแล้วศีลจะเกิดขึ้นดูจิตให้รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอย่างที่สอนตอนแรกจำได้ไหมพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปก็รู้หายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ตรงที่เรารู้จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง แล้ถัดจากนั้นเราก็เดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูกายก็เห็นกายทางานจิตเป็นคนดูจเจริญปัญญาด้วยการรู้เวทนาก็เห็นว่ากายก็ส่วนหนึง่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะถ้าจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะีก็ดูอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละจิตเราเนี่ยไม่เที่ยงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยว ด, ดีเดี๋ยวชัว่วไม่ห้ามนะไม่แทรกแสงถ้าแทรกแสงไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานให้รู้อย่างที่มันเป็น ถ้าทำได้อย่างนี้แหละเราก็าเรียก ว, ว่าการดูจิตอยู่ในหลักไตรสิกขาเราจะเจริญในธรรมะขึ้นมานะวันหนึ่งเราจะเห็นความจรงิงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นตัวเราอีกแล้วเพราะสิ่งที่เห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดคือจิตนี่เองถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วนะถ้าวันใดเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุก วันนั้นจะพ้นจากตัวนั้นแหละถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์นะพ้นจากกายไม่ยึดกายได้ภูมิพระอนาคาถ้าวันใดเห็นว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์เนี่ยการดูจิตถึงขั้นสุดท้ายนะจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์วันนั้นแหละจะเป็นพระอรหรันต์หลวงพูดุลเคยสอนอยู่ประโยคหนึ่งนะว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผนที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยสองประโยคเนี้ คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นความจริงแล้วว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เป็นมรรคแต่ไม่ใช่มรรคธรรมดานะตัวนี้หลวงปู่ท่านพูดแบบออมๆไวนะ้มันคืออรหันตมรรคถ้าเมื่อไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าคือตัวทุกข์นะขณะนั้นจะสลัดคือจิตให้โลกเมื่อไม่ยึดจิตเสี้ออันเดียวเนี่ยขันห้าที่เหลือเนี่ยจะกระเด็นหลุดไปหมดเลยเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิต สิ่งที่เห็นว่าเป็นตัวเราเนียวแน่นที่สุดก็คือจิตบื้อต้นได้โสดาเนี่ยละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราตรงที่ได้พระอราหันเนี่ยละความยึดถือละความยึดถือจิตเพราะเห็นความจริงแล้วว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษด อ, อกเพาะฉะนคำว่าดูจิตดูจิตนะมันละเอียดประณีตมากนะดูจิตก็ได้ศีลดูจิตได้สมาธิที่ถูกต้องดูจิตได้ปัญญา ปัญญาขั้นต้นขั้นโสดาบันเห็นว่าจิตไม่ใช่เราปัญญาขั้นสุดท้ายเลยเห็นว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่าดูจิตดูจิตนะจะทําให้เราพ้นจากทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดในวันหนึ่งนะชาตินี้ไม่ถึงไม่เป็นไรชาตินี้ขอให้เห็นก่อนนะว่าจิตไม่ใช่เราเอาแค่นี้ก่อนแลบุญนับหนาแล้วล่ะคนสมัยเอฟุตการ์ดเขาบุญบารมีมากนะโดยเฉพาะชาวกุรู พุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานให้ชาวกุรุฟังแล้วท่านก็บอกอานิสงส์ว่าเจปีอาจจะบรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคนก็แค่6ปีหปีหนึ่งปีบางคนนะเจ็เดือนก็บรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคนเดือนเดียวบางคนเจ็วันบางคนวันเดียวนะอันนั้นสําหรับชาวกุรุชาวกุรุนั้นเป็นคนที่มีวาสนาบารมีสูงตื่นนอนมาออกจากบ้านมาเขาจะทักทายกันว่า วันนี้เธอจเจริญสติปัฏฐานแล้วหรื อ, อยังของเราเจอกันยะทักเธอไปดูหนังเรื่องนี้ยังอะ่ะเ<ม>นี่ยไม่ใช่ชาวกูรูหรอกนะมีแต่าชาวกูรูกูรูอะไรนะยุคนี้กูรูเยอะเห็นมันจะรู้อะไรเลยงั้นบารมีเราไม่เท่าเขานะบารมีเรายังอ่อนกว่าเขาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้โสดาพระบุญ น, นักหนาแล้วละงั้นไม่น้อยใจในวาสนานะตั้งอกตั้งใจภาวนา สรุปก็คือทุกวันรักษาสินห้าแบ่งเวลาทำในรูปแบบอย่างต่ำวัน1นึงนาทีเบื้องต้นนะต่อไปจะเพิ่มเวลาอัตโนมัติเลยเดี๋ยวนี้บางคนทำได้วันหนึ่งหลายชั่วโมงเลยโดยที่สบายใจถ้าเริ่มต้นให้ทำมาละหลายชั่วโมงเราจะทำวันเดียวแล้วก็เลิกงั้นหลวงพ่อจะหลอกเด็กก่อนนะทำทํานาทีสินาทีอะไรหลอกๆไปนะพอทำไปแล้วมันได้ผลนะจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความรู้ตื่นเบิกบาน จะเพิ่มเวลาคราวนี้ไม่ต้องขอร้องลนะบางคนทำได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะทำได้ค่อยๆเพิ่มไปนะทำรักษาศีล5นะปฏิบัติในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปนั่นแหละเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันนะถ้าจะดูจิตก็ดูให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไป กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้นะรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนี่แหละคือการปฏิบัติที่เรียกว่าดูจิตนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะพัฒนาตัวของมันเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเองอันนี้พระพุทธเจ้าบอกนะจิตจะบรรลุมรรคผลเองนะเมื่อเราเจริญไตรสิกขามีศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา เมื่อกี้สรุปให้ฟังนะต้องมีศีลมีสติรักษาจิตไว้ก็มีศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ได้สมาธิมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ได้ปัญญานี่เรียกว่าอยู่ในหลักของไตรสิกขาท่านเทียบเหมือนชาวนาบอกชาวนาไปปลูกข้าวเนี่ยชาวนาสั่งให้ข้าวออกรวงไม่ได้ชาวนาทำอะไรบ้างชาวนาทาเหตุที่จะทาให้ข้าวออกรวงเมื่อฝนตกก็ไปไถนา พอไถนาเสร็จก็ไปหวานข้าวหวานข้าวเสร็จก็คอยควบคุมระดับน้ําน้ํามากเอาออกน้ําน้อยเอาเข้าถึงเวลาข้าวออกรวงเองที่สุดทั้งหลายเธอก็ไม่สามารถทำอริยามรกให้เกิดไดนะ้แต่เธอต้องทำไตรสิกขาเหมือนที่ชาวนาทํางาน3ข้อนะนะั้นฝนตกก็ไปไถนาไถนาแล้วไปหวานข้าวหวานข้าวแล้วดูแลเรื่องระดับน้ําดูแลต้นข้าว ของพวกเรานักปฏิบัตินะเราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะถ้าจะดูจิตเนี่ยดูจิตเนี่ยถ้าดูเป็นแล้วได้ครบหมดเลยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าดูไม่เป็นจะได้แต่สมถะ่าไปเพ่งจิตเฉยๆเป็นสมถะอย่างเดียว1 น, ะนชั่วโมงพอดีตามที่กำหนดให้หลวงพ่อเทศนะเั้นจบกลับมาทำมิจการหลวงพ่อครับส่งคนบ้านรอบ1ปีครับปีที่แล้วส่งที่ศูนสันติธรรม เมื่อไม่นานมานี้มีอยู่คืนหนึ่งนอนไม่หลับแล้วก็เลยดูกายมานอนอแล้วในแว็บหนึ่งมันเกิดรู้สึกเห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันก็กลัวกลัวจับใจเลยครับเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันดันรู้สึกดีใจว่าได้เห็นเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นบ้างหลังจากนั้นสองสมวันพอนึกถึงเรื่องนี้ก็จะแช่มชื่นขึ้นมามแต่พอหลังจากนี้หลังจากสองสมวันนั้นไปเริ่มสังเกตว่า ใจมันดูทึบๆทือท่อๆยังไงชอบกลก็เลยเราไม่ใช่ไปสั่งให้มันเห็นได้นะครับถ้าเราอยากเห็นมันจะไม่เห็นเราะงั้นตอนที่มันเห็นเนี่ยเราไม่ได้จงใจมันถึงเห็นหน้าที่เราจเจริญสติเรื่อยๆไปรู้สึกตัวเรื่อยๆไปนะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าแต่อย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่ง ใ, ใจมันจะทื่อๆถ้ ใ, ใจเป็นธรรมดาใจที่ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดเลย ครับเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยกระทบอารมณ์ผมก็เลยลองดูว่าเราประคองอยู่หรือเปล่ามันก็รู้สึกว่ามันประคองเพรามันไม่หลุดถ้าถ้าประคองมันจะไม่ไม่เดินปัญญานะครับใจกล้าๆหน่อยจะข้ามสะพานนะกลัวตกสะพานกลัวตกน้ําจับราวสะพานแน่นๆข้ามไม่ได้หลุดก็หลุดตกน้ําก็ตกนะต้องกล้าๆหน่อยพอดีนะึกที่หลวงพ่อบอกได้ว่าถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ติด ก็เลยมาดูที่ตัวชอบอืมันก็เห็นว่ามันก็หลุดออกมาแต่พอเผลอๆมันก็กลับไปประคองใหม่อะค่ะมันเคยชินธรรมชาติของจิตไหลไปตามความเคยชินเคยประคองมันก็จะประคองและห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ให้รู้ทันว่าประคองอยู่นะอยากหายรู้ว่าอยากแล้วนะรู้เข้าไปตรงๆเลยสุดท้ายเราก็จะรู้ว่ามันประคองรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางการประคองนี้ก็ตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์เหมือนกันยังไงก็หนีไตรลักษณ์ไม่พ้นสุดท้ายมันก็ปล่อย ขอกันบ้านเพิ่มครับอย่าไปรักษามันนะไม่ดีก็ได้ไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละส่วนจิตเนี่ยไม่ดีก็ได้นะพะพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยต้องดีไม่ได้บอกท่านบอกว่าจิตมีราคารู้วมีราคาใช่ไมไม่ดีก็ได้แต่รู้เอาอย่ารักษาไว้ใจก ล, กล้าๆหน่อยอยากได้ของดีอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือเขอย่างนี้ ขอบคุณครับกราบน้ำสักการท่านอาจารย์ค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะ อ, อ, อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูว่าหนูปฏิบัติเนี่ยนะฮะจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างมั้งคะถ้าคำว่าแก้เนี่ยจะไม่มีในวิปนะัสสนาไม่ไม่ค่ะว่าอาจจะสมถะมากไปหรือว่าวิออวปัสสนาใจมันฟุง้งซ่านนะใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่ ให้เราคอยรู้ทันนะทากรรมฐานอย่างหนึง่งจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันฟุง้งคนะแม่ชียังฟุ้งเก่งอยู่รู้สึกไหมมันคิดแรงเวลาคิดทำไมกระโจนเลยเอ๋อแก้ตรงที่มันฟุ้งนะฮะใช่มันยังฟุง้งมันยังเจริญปัญญาไม่ได้หรอกให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งสัน้นจิตจะได้สมาธิเด่นดวงตื่ตัวกับสมถะกับวิปัสสนาที่ อ, อ, อย่างอย่างตอนที่มันยังไม่เคยมีปรัชนาไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะฮะเอออันไหนมากกว่ากันอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ของโยมจิตยังไม่ขึ้นวิปั ส, สนาจริงหนอกจิตมันยังฟุ้งอยู่เลยฮะอืมโอ้นัต่อไปนี้นะทํากรรมฐานอย่างที่เคยทําอ่ะแล้วคอยรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้จิตนีรู้รู้บ่อยๆนะค่ะแล้วต่อมามาอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้แหละไปกวาดวาดัดกวาดบ้านนะจิตหนีไปก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ไปได้วย เดี๋ยวจิตมันจะเข้ามาหาตัวเองจิตมันถึงฐานตั้งมั่นขึ้นมามันจะเดินปัญญาได้นะไม่ต้องรีบวิปัสสนาหรอกต้องปรับจิตให้มันมีคุณภาพนะการทำพิธการหลวงพ่อครับ ค, คือผมเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในช่วงแรกๆผมก็ใช้วิธีการนั่งสมาธิแบบพื้นฐานคือดูลมหายใจมันก็จะนิ่งๆแลวไม่เห็นไม่เห็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงมากเท่าที่ควร ผมก็เลยหันใช้วิธีการสวดมนต์พอเวลาผมสวดเนี่ยปุ๊บผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจผมชัดเจนมานนนนิ่ ง, งเห็นอะไรนะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจนะครับว่ามีขุ่นมัวมีฟุ้งซ่าน<อ>มีสงบมัน ช, ชัดเจนนะครับแล้วคราวนี้พอผมก็สวดไปเรื่อยๆแล้วผมพอมันฟุ้งซ่านปุ๊บผมก็บีบเสียงให้มันพอบีบเสียงเปลี่ยนโทนเสียงปุ๊บมันจะเกิดความสงบขึ้นพอผมสวดไปเรื่อยๆปุ๊บความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาอีกผมก็ใช้การบังคับเสียงของตัวเองเป็นอูบายในการปรับปรับจิตตัวเอง การทําแบบนี้นะครับมันเป็นมันเป็นการไปไปปรุงแต่งจิตหรือว่าไปไปบังคับจิตมันหรือเปล่าครับเป็นอะไรนะพูดเด็่ยวเหรอเหมันก็ว่าไปไปบังคับจิตมันหรือเปล่าครับมันเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นบังคับไห้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะแต่บังคับแล้วปล่อยบังคับแล้วปล่อยะถ้าไม่งั้นมันจะหลุดหายไปเลยดูไม่ออกคือมันมันก็เป็นการปฏิบัติที่สามารถที่จะทําให้ถึง จุดสําคัญอยู่ที่ว่าเราเห็นใช่ไหมใจฝงไสใจคุณมัวเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงมันมันเห็นชัดกว่าการนั่งสมาธิครับผมเลยเรื่องการสวดมนต์วิธีการไปเลยอยู่ข้างนอกนี่ก็สวดได้ครับสวดมันทั้งวันแหละแล้วก็รู้ทันจิตไปครับคือว่าใช้ได้ใช่ไหมการปฏิบัติวิธีนี้อืมแต่ใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะครับครับตื่นเต้นครับขอบคุณครับ กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อมาจากสกอไทยค่ะแล้วก็พึ่งเข้ามาฟังการแสดงธรรมครั้งแรกเลยค่ะก็เริ่มปฏิบัติมา1ปีเต็มนะคะโดยการฟังซีดีจากหลวงพ่อก็วันนี้ดีใจแล้วก็ตื้นตันใจมากที่ได้มากราบหลวงพ่อก็สักเดือน1เดือนที่สองหนงงเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเหมือนเริ่มแยกแยกกายแยกใจได้แล้วว่ะค่ะใช่ค่ะเห็นไหมมันอัศจรรย์นะ ประหลาดมากเลยมันแยกได้หนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะไม่ได้คิดเองค่ะะใจเราเปลี่ยนใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่มานะขันมันแยกออกไม่ได้เจตนาหรอกแต่พอแยกแล้วมันจะกลับไปรวมอีกก็ไม่เป็นไรนะใช่ค่ะบางบางครั้งมันก็มีความรู้สึกว่ามันกลับไปรวมกันอีกแล้วหนูนึกว่าถ้าถ้าเราแยกได้แล้วเราจะแยกได้ถาวรเลยไม่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลงมันก็จะกลับมารวมกันอีกอค่ะเออถ้าสมาธิตกลงมันก็รวมอีกอื แล้วมันแยกขาวบอลต้องฆ่าละหันอ๋อพอดีหนูก็ไม่เคยแล้วก็บางทีมันมีคืออย่างที่หลวงพ่อว่าค่ะบางทีเราสงสัยอะไรก็จะมีคําตอบหลายๆคําตอบอยู่ในซีดีทั้งหมดรวมทั้งถามตอบแบบนี้ค่ะบางทีที่หนูสงสัยดีแล้วแหละไม่ต้องถามคนอื่นนะมีหนึ่งคำถามค่ะมีหนึ่งคำถามที่หนูสงสัยอะค่ะถ้าเราจะเดินมาทางสายนี้ค่ะเราต้องมีครูบาอาจารย์ไหมคะเรามีครูอยู่แล้วนะคือพรธเจ้างั้นเราดู อย่างเราเที่ยวหาครูบาอาจารย์ทุกวันนี้เราชอบวิ่งไปหาที่น้อนที่นี่เรารู้ได้ยังไงว่าถูกหรือไม่ถูกงั่นชาวพุทธเนี่ยควรจะเรียนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักธรรมะหลักๆเนี่ยต้องเรียนแล้วเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็มาตรวจตัวเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเช่นถ้าเราภาวนาไปแล้วจิตว่างสว่างอยู่งนะั้นตั้งหลายเดือนก็ว่างอยู่งนะั้น ทำไมมันเที่ยงทำไมมันสุกมันผิดหลักที่พระเจ้าสอนนะท่านสอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่มันเหมือนควบคุมได้เราต้องทำอะไรผิดแล้วละ่ะใช้ความสังเกตเอานะเระฉะั้นเราต้องเชื่อหลักธร ร, รมะที่พระเจ้าสอนไม่ต้องวิ่งถามคนอื่นมากหรอกนะค่ะหนูขอกันบ้านด้วยค่ะหลวงพ่อไม่ทำอีกค่ะหลวงพ่อแล้วก็อย่าไปรักษามันค่ะก็รัรักษาศีลเท่านั้นแหละไม่รักษาจิตค่ะ นะต้องรักษาศีลอย่าไปรักษาจิต อ, อันนี้เป็นขั้นขั้นหนึ่งนะขั้นเดินวิปัสสนานะถ้าธรรมะทั่วทั่วไประดับจริยธรรมเนี่ยต้องรักษาจิตควรรัขั้นกันนะธรรมะมีหลายระดับกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะระหว่างที่เรานั่งนั่งเราจะเห็นจิตเราตลอดเวลาว่าเดี๋ยวก็จะคิดน้นคิดนี่แล้วก็คือคือบางครั้งเนี่ยเราจะมองว่าอ อันนี้มันเป็นกิเลสหรือว่าเป็นสติคื อ, คอ ต, รตรงจุดนี้เราจะมองไม่ออกอะคะ่ะเป็นอะไรนะเป็นสติหรือว่าเป็นกิเลสคือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ยเราควรจะทําแต่บางทีเราเรารู้กว่าทําไปเพราะว่ากิเลสหรือเปล่าหรือจริงๆคือมันสติ<อ>ดูเอาสิ ถ, ถ้ามันโลภมันโกรธมันหลงไหมดูเข้าไปแล้วมันดับไปก็เหลือสติปัญญาแล้วก็ตัดสินด้วยสติปัญญาเช่นเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งอยากกินแล้วก็ดู ใจมันอยากกินหรือว่าร่างกายมันต้องการอาหาร mm hmm. ถ้าใจเป็นอยากกินเแล้วตะกละดูปุ๊บเห็นนะดับไม่กิน mm hmm. ถ้าร่างกายต้องการอาหารกินแ mm hmm. สดงว่าเราเราใช้ตัวเรียกว่าอะไรคลยๆตันหาเข้ามาจับใช่ปะคะใช่เลยน ะ, ะตัวตันหาว่ามีโลคเ ก, กิหลงเข้ามาจับหรือเปล่า ถ, ถ้าถ้าสามตัวเนี้มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามองแล้วเราก็รู้ว่ามันมันไม่ยากเท่าที่หนูคิดหรอกนะมันง่ายกว่านี้เยอะเลยอย่าคิดมากเลย <laughs> ที่ภาวนาอยู่นะถูกแล้วนะขันก็เริ่มแยกแล้วเนี่ยต้องคิดมากอ่ะต่อไปเอ้แล้วมีการบ้านต้องทําต่อไงทำต่อทําถูกแล้วก็ทำอี ก, กทาเยอะเยอะไม่ดีก็ได้จําไว้นะกลับอุปสมภารหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นมากค่ะอืมอิจติมากที่ได้ได้กับหลวงพ่อค่ะอืมฟังหลวงพ่อมานานแล้วค่ะแล้วกออ็แล้วไงอะ่ะ <laughs> นูเห็นไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับใจเราเมื่อก่อนนะ่ยไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกค่ะใช่ไหมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกนะใจเคยมืดเคยบอดมันก็สว่างสวัยขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาธาตุขันมันเริ่มแยกออกไปค่ะเคยเห็นต่อไปนี้เราก็เห็นขันมันทํางานไป น, ะนี่พูดไม่ถูกหลวงพ่อตอบให้ก็แล้วกัน <laughs> ดูไปทําถูกแล้ว มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเป็นกันบ้าทำบ่อยๆทำสม่าเสมอนะอย่าอยากได้ผลใจหนูโลภไปอยากเอาเร็วหนูโทสะมากไปไหยคะคำว่าโทสะมากไปไม่มีมีแต่โทสะพอดีกับเราโล้วโทสะของเราเกิดบ่อยเกิดบ่อยก็ไม่เสียหายอะไรจีมีโทสารู้ว่ามีโทสะทุกครั้งที่รู้ก็ได้หนึ่งคะแนนค่ะ หนูมีเรื่องของการบริกรรมสักนิดนึงค่ะหลวงพคือหนูบริกรรมด้วยการอนาปนาสติแล้วก็มีติดตรงนิดนึงบางทีหนูก็หายใจออกก่อนแบบที่หลวงพ่อสอนน่ะนะคะคือหายใจออกก่อนเพื่อปล่อยให้มันผ่อนคลายก่อนแต่ว่าหนูทําไม่ได้อะคะ่ะหนูต้องทำทำได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแหล ะ, ะทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะไม่ต้องฝืนกรรมฐ า, านเนี่ยถ้าทำแล้วก็สบายใจจิตจะสงบ เพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเครียดแล้วจะไม่มีสมาธินั้นถนัดหายใจเข้าก็หายใจไปแต่ว่าอย่าไปเกร็งขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนใหญ่หายใจเข้าแล้วจะเกร็งแน่นแล้วก็ปล่อยไม่ออกแล้วครั้งนี้ค้างอย่างนี้หลวงพ่อคะที่ถ้าเกิดหนูเคยล่วงเกินด้วยวิีกรรมมัณกรรมกายกรรมใดๆที่ผ่านมาก็ขอหลวงพ่อเอาโหสิกรรม ห, หนูด้วยค่ะเหลวงพ่อรับทราบนะอโหสิกรรมเนี่ยทําไม่ได้ ได้รับขมาได้ขอขม า, ขมาเออไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมหลอกโอาโหสิกรรมไปว่ากรรมที่ให้ผลสําเร็จแล้วสาธุค่ะหนูขยันภาวนานะบุญจากการภาวนาเนี่ยเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่ฉันก็เคยร่วมเกินหลวงพ่อเนี่ยทาบาปมาแค่นี้มาภาวนาเราได้บุญแค่นี้ตัวนี้มันวิ่งตามเราไม่ทันตัวนี้วิ่งเร็วนั้นเราสร้างความดีให้มากมากไว้อย่าไปกังวล กับความผิดพลาดในอดีตแค่ไม่ทำอีกก็พอแล้วนะแล้วก็จเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาของเราให้ดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นใชทุกค่ะอย่างมากก็แค่ถูกคนด่าเวลามีวิบากนะถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรเงี้ยนะธรรมดาอยู่กับโลกค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกลับมาสการหลวงพ่อครับผ ม, ผมก็มาครั้งแรกครับแล้วก็ ลองอ่านหนังสือแล้วปฏิบัติตามหลวงพ่ อ, อเอาก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองสภาวะจิตมันจิตที่รู้ทันนี่เป็นเป็นแบบไหน อ, อ, อย่างเงี้ยครับก็คือว่าบางทีผมก็ทําตามหลวงพ่ออจิตเราส่งออกไปเนี่ยครับพอเรารู้ทันแล้วมันมันจะกลับมาที่ตั ว, ตวอเออถ้าเวลารู้ทันนะอย่าไปดึงคืนมาครับถ้าดึงคืนมามันจะแน่นแน่นถ้าแน่นๆเนี้ยผิดละ แต่ว่าหัดใหม่ๆเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกจนดึงก็จะแข็งๆขึ้นมาก็รู้ทันนะว่าบังคับอยู่ก็ค่อยๆหัดคลายออกทาไปเม่เผลอไปแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้แต่หัดใหม่ๆนะเผลอรู้แล้วก็จะมาเพ่งห้ามไม่ได้ไปเป็นอย่างนนทุกคนแล้วตอนหลังรู้สึกว่าพอส่งจิตออกไปแล้วมันมันไม่ดีกลับมาครับ ม, รมันอะไรนะคื อ, ค, อคือแรกๆจะจะส่งจิตออกไปแล้ว พอรู้ปุ๊บรู้ทันก็จะกลับมาใช่ไหมครับตอนหลังยังรู้สึกมันยังไม่กลับมาครับมันรู้สึกสะพา <ไง S 2> วาสยิ่งฝึกยิ่งไม่กลับเหรอล้วทําไมฝึกได้แปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นเนื้อไม่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับบางทีถ้าใจมันจะหนีไปนะกลับมารู้สึกตัวเองไว้นะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ <S <S จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ตามทีอะแล้วจิตหนีแล้วรู้ถ้าถ้าไม่มีเครื่องอยู่เลยมันจะหนีนาน ใหให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้ครับแล้วจิตที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ส่งออกไม่ไม่ส่งอไม่ส่งเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นสภาวะจิตยังไงครับเนี่ยตอนนี้จิตมันส่งเข้าข้างในอ๋อครับรู้สึกมมันเข้าไปอ๋อครับเอออ๋อแล้วมันไม่มันไม่ค่อยรู้สึกอะครับดูตามไม่ค่อยทำเท่าไหร่รู้เท่าที่รู้ได้นะ เราไม่ได้สามารถรู้สภาวะทั้งหมดได้ในขณะนี้สภาวะอะไรละเอียดเกินกว่าสติสมาธิปัญญาของเราเราก็ยังไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรค่อยฝึกไปแล้วมันก็เห็นเองแหละในตอนนี้เรารู้สภาวะที่แรงๆโกรธแล้วรู้โลภแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปจิตขยับตัวคลิกหนึ่งก็เห็นแล้วละ่ะอย่าประคองจิตนะแล้วสมา ถ, ถานี้ก็ทาไว้เรื่อยๆใช่มต้องสบายกว่านี้นะ ตอนนี้มันตื่นเต้นเกินไปมันเลยบังคับมากไปจิตตอนนี้ถึงฐานหรือเปล่าจิตถึงฐานไหมขณะนี้จิตอยู่กับฐานไหมตอนนี้อะครับอืมรู้สึกไม่ค่อยซ้ำนะจิตมันกระจายออกข้างนอกไปนะแล้วก็เราก็รังเอาไว้ให้เรารู้เอาอย่างที่มันเป็นนะครับผอ่างนี้มา นี่ดีขึ้นเยอะแล้วคนนี้การนมัสการหลวงพ่อครับเอากันบ้านมาสวรรครับดีชอบเอคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกเรื่องเรื่องว่าเราผ ม, มจิตคิดกับเราคิดนะครับมันยังปนกันอยู่ครับอืมแต่คือเหมือนไปลองสังเกตดูมันจะมีพอคิดปุ๊บแล้วมันจะมีช่วงแบล n งนิดนึงแล้วเราไปกระโดดจับกลายเป็นเราคิดใช่เห็นอย่างเงี้ยครับถูกแล้วเห็นไหมจริงจริงมันไม่ใช่เราหรอกไอ้เรานะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสัญญาเข้าไปหมายก่อนนะ สัญญาที่เรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนเป็นหมายว่าเป็นเราเ<ม>พอสัญญาวิปลาสกนะ็เกิดจิตตวิปลาสคือการคิดว่ามีเราแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสเกิดค<ม>วามเห็นว่ามีเรานีมันมีความบ้าสามชั้ น, นซ้อนกันอยู่มันก็ต้องต้องคอยสังเกตตัวนี้ไปเรื่อยสังเกตเท่าที่สังเกตได้ถ้าตั้งใจสังเกตมากเกิดเครียดเกินไปแล้วจะไม่เห็นอะไรมันจะว่างไปหมดเลยครับต้องดูแบบเล่นทีเผลอ ช้ำเรืองช้ำเลืองเนี่ยถึงจะเห็นแตพอมาเดือนหลังนี้ผมไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบเลยครับแล้วงระหว่างวันมันจะเผอไปเยอะเออนั่นแหละต้องทำในรูปแบบนะไม่งั้นแรงไม่พอจะฟุ้งครับแล้วมีอะไรต้องแกะไหมครับไม่มีอะไรเพิ่มใช้ได้นะไม่ทำอีกสังเกตไหมว่าปีนี้ไม่เหมือนปีกลายทุกคนสังเกตไหมปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนปีนี้แก่กว่าปีกลายนมัสการครับจิต สังเกตไหมว่มาไม่เหม็นแต่ก่อนแนละ้วมีความสุขมากขึ้นแต่เราไม่ได้เอาแค่นี้นะภาวนาเบื้องต้นกับหลวงพ่อนะจะเต็มไปด้วยความสุขน ะ, ะแต่พอถึงทําไมไมันมีความสุขเพราะมันเป็นขั้นของสมาธิใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจมีสมาธิมีความสุขแต่ต่อไปพอถึงขั้นเดินปัญญาเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลย เพราะเห็นทุกข์มากขึ้นใช่เข้าใจว่าทุกอย่างแต่ยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งมีความสุขใช่ครับเอออัศจรรย์มากเลยธรรมะเนี้ยเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันเนี้ยถ้าหากว่าผมดูทุกอย่างแล้วเห็นทุกอย่างมันเปนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นเป็นการคิดนําหรือว่าเป็นสิ่งที่จิตคิดจริงคือเรารู้เอาไม่ต้อไปคิดนำแล้วตอนเนี้จิตมีคุณภาพที่จะรู้ได้แล้วก็รู้เอาแล้วการที่เรานั่งแยกกายแยกรูปแยกนาม ดูทุกขเวทนานเนี่ยก็คือตอนที่เรานั่งปฏิบัติรู้ว่าปวดก็รู้ว่าปวดเราจะแยกธาตุแยกขันธ์กายก็อยู่ส่วนหนึ่งปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสิ่งที่ผมทํานี่ถูกทางแล้วใช่ไหมไม่ทําอีกนะปีนี้นะทีมชมรมกระยาณธรรมนะี่เก่งขึ้นเยอะนะห <c oughs> ลวงพ่อสอนมาหลายปีแล้วว่าจะเลิกสอนแล้ว <c oughs> ไม่เห็นหน้าโอ้หน้าตาโปร่งใสดูได้คะแนนเยอะหน่อย <c oughs> เนี่ยสอนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยลำบากมัติดเพ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยติดแล้วละหายแล้วใจมันมีความสุขนะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นท่าทเห็นขันทำงานเห็นได้ทุกแต ใ, ใจมันไม่ทุกข์ด้วยหรอกมันจะไปเห็นทุกข์อีกทีตอนจะขั้นแตกหักจิตนี่คือตัวทุกข์ไอ้ตัวที่เราเบิกบานนี่แหละกลายเป็นตัวทุกข์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไร เอาไปดูวันข้างหน้ า, าต่อไปตื่นเต้นค่ะใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นเลยดีใจมากที่ได้เจอหลวงพ่อค่ะอรู้จักหลวงพ่อมาสามเดือนแล้วก็ปฏิบัติมาสองเดือนอ ม, มีอยู่คือปฏิบัติแล้วมันรู้สึกว่ามีข้างในมันมันไหวอะค่ะอืถูกไม่รู้จะทํายังไงทําไม่ได้ มันไหวอย่างนั้นถูกแล้วนะมันปรุงทั้งวันทั้งคืนเนาะไหวอ ย, อย่างนั้นนะต่อไปเราจะเห็นแต่ทุกข์ล้นล้นเลยไหวแล้วเป็นทุกข์รู้สึกไหมค่ะแต่พอมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อค่ะเราไม่ได้ทําให้หายนะ่ะเพราะจริงๆจิตของเราเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วก็กระเทือนไหวขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างนนคนคาเนี้ยแต่คนเขลาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์ ผู้มีสติมีปัญญาเห็นนะมันกระทบแนละ้วมันก็กระเทือนอยู่ตลอดเวลานะไม่เห็นมันสุกตรงไหนเลยว่าเดินมาถึงตรงที่เห็นสภาวะที่มันไหวอยู่กลางอกเนี่ยอยู่ที่กลางหน้าอกใช่ไหมไหวกระเทือนทั้งวันทั้งคืนในชะมันทั้งเหมือนทั้งตัวอ๋อถ้านะมันเป็นตัวกระจายออกมาน ะ, ะเป็นตัวเบทนากระจายออกไปไม่เป็นไรดูไปว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้างนั้น มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนหนูหนูดูนะเหมือนดูคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นไหวดูอย่างนี้ค่ะบางครั้งมันเหมือนรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนนั่นแหละไม่ใช่เราหรอกถูกแล้วแล้วก็มีบางครั้งมันอ่าเหมือนมันมันมันตกวูดลงไปอืมอันนั้นจิตจะรวมจิตมันไม่ชํานาญในสมาธิเวลาจะรวมนะมันเรือบินตกหล่นบุ๊ต์ลงไปใช่แต่ต่อไปชํานาญมันจะลงนิ่มๆลง นี่ <Okay. S 1> เข้าออก <Yeah. S 1> เข้าออกก็ฝึกให้คล่องแคล่วทำถูกต้องเราใช่ไหมนี่สองเดือนนะสองเดือน <Okay. S 2> เลยคำว่าตื่นไปนานแล้ว <Hey. S 2> <c oughs> คือหนูเป็นคนคริสต์ด้วยอะคะ่ะธรรมะเป็นของกลางนะศา ส, สนาต่างๆ <c oughs> มาทีหลังเพียงแต่ธรรมะอันนี้ซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นของกลางของโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่คนพบเท่านั้นเอง เรา็ยกย่องท่านในฐานะท่านเป็นครูที่คนพบคนแรกรู้สึกดีใจที่ได้พบพระพุทศาสนาใช่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อวานทาปฏิบัติในรูปแบบแล้วรู้สึกกลัวมากมที่กลัวอะไรล่ะกลัวตัวเราหายไปกลัวตัวเราไม่มีนะจะกลัวอย่างนั้นแหละลถ้ากลัวให้รู้ว่ากลัวก็ขอพระ ร่วมเกินทางกายวาจาใจก็ขอกลับหลวงพ่อขอขอเข้ามาคออถูกขอถูกขอขอกรรมไปขอได้ไงอ่าเราก็มีการบ้านมีอะไรไปทำอีกนะถ้าสองเดือนทำได้แค่นี้ใช้ได้แล้วล่ะไม่อายขดจีนรับคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งเลยเราต้องได้เรื่องอะไรประเภทกูเก่งกูเก่งไปไม่รอดหรอก ไม่ yup. รู้สึกว่าโง่มากเลยไโอ้สาธุเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์บอกให้ภาวนาโง่โง่อะภาวนาซื่อซื่อภนาโง่โง่ไปฉลาดมากแล้ก็ฟุ้งชิดมากไปดูโง่โง่เนี่แหละเห็นแต่ว่าไอ้นูนเกิดอันี้ดับนะเห็นแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหนูไปดูตัวนี้นะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไปดูตัวนี้ดูนับตาบ่อยๆไม่ใช่เราไอตัวที่กระเถิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราไปดูอย่างนี้ได้เลย ถ้ามันมาอีกก็ให้ดูไปดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่เราแต่ไม่ต้องไปคิดนำนะถ้าเราพอมันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เรากลายเป็นสมรถ h a อันนี้เป็นการมองในมุมของความเป็นอนัตตามองเหมือนมองคนอื่นไม่ใช่ว่าไปคิดเอาหรอก กานวัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีนึงค่ะแล้วก็พยายามทําในรูปแบบด้วยค่ะสิ่งที่พบก็คือเวลาที่รู้ทันจิตอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูรู้เนี่ยพยายามไปเพ่งหรือว่าพยายามไปแทรกแซงมันหรือเปล่าตัวตัวนี้นะถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่น่าจะอึดอัดมานั้นตัวตัวนี้เลยถ้ามันอึดอัดมันแน่นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเพ่งแทรกแซงแล้ว ถ้ารู้อย่างที่มันเป็นไม่เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปใจเราก็เปิกบานมีความสุขค่ะแล้วก็อีกข้อ น, นึงก็คือหลังจากที่รู้แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าเราเก่งแล้วก็เราดีอพอรู้สึกแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะค่ะจะรู้สึกอายนะค่ะเวลาเราทําอะไรพูดอะไรเนี่ยแต่เดิมนะมันจะซ่อนตัวกูเก่งกูเก่งแต่พอเรารู้ช่วงแรกๆน่าจะอาย แต่ห้ามมันไม่ได้หรอกรู้ทันนะต่อไปมันหายเราจะเป็นคนน่ารักขึ้นพวกกูเก่งไม่น่ารักหรอกมีสิ่งที่หนูต้องทําเพิ่มเติมไหมคะหนูเป็นคนขี้โมโหน ะ, ะถ้าใจมันฟุ้งซ่านก็จเจริญเมตตาไปบ้างนะบริกรรมไปก็ได้เมตตาผู้นางเอราวัลยเมตตาอะไรยบริกรรมสวดมนต์สบายๆใจสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขอะไรอย่างนี้ตามบ้างาเราขี้โมโหใจจะได้พักผ่อน ่คนสุดท้ายอากาศนมัสการหลวงพ่อนะครับปฏิบัติธรรมในรูปแบบทุกวันนะครับด้วยวิธีการเดินจงกรมก่อนจะเดินจงกรมผมก็จะสวดมนต์ทักก่อนตามที่หลวงพ่อเคยสอนนะครับแล้วก็เดินแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังฟุ้งอนะครับแต่ตอนเดินก็คืออธิฐานว่าเพื่อถวายบูชาพุทธเจ้าแต่ก็ยังรู้สึกฟุ้งก็ไม่พอใจแล้วก็มีเคยมีคนทักว่าเอา้าไหนจะถวายพุทธเจ้าแล้วยังมีไม่พอใจอีกว่ามันฟุ้งนะครับ ได้เดินก็ดีแล้วนะรู้ทันว่าฟุ้งก็ดีแล้วเราไม่ได้เดินเอาสงบเราเดินให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้รู้ไหมบังคับไม่ได้จิตมันจะฟุ้งครับนี่ต่างหากล่ะธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงสงบแล้วสังเกตไหมหลวงพ่อถามเองดีกว่าสังเกตไหมเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันนะดูออกไหมใจเราเปลี่ยนไปเราเรามีสติเรามีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมา ต่อไปนี้เราก็ดูธาตุดูขันทํางานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆง่ายๆถ้าเมื่อไหร่ดูจิตได้ให้ดูจิตครับดูจิตไม่เห็นดูกายครับเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนครับดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้แล้วสวนมนไปพูดโธไปอะไรไ ป, ไไปทําความสง บ, บ, บเดินอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็พัฒนาเองแหละครับที่ปฏิบัติมาถูกทางแล้ว หลวงพ่อเลยพอเห็นแล้วชื่นใจนะเหมือนปลูกต้นไม้ไว้นอนไม่เอาไปกินหมดยังมีความรู้สึกตัวบ้างใช่ไหมครับหลวงพ่อมีสิไม่มีมเลยครับผมแล้วผมมีอะไรตต้องเพิ่มทําเพิ่มเติมไหมครับหลวงพ่อทำสม่ำเสมอนะคือว่าทําบูชาพระไม่ใช่ทําเพื่อเอาอะไรครับทําให้ได้อย่างนั้นแหละได้ครับอเหมนเวลาพอดีเลย จ บ, จบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ไปรับทรจากหลวงพ่อไผ่สารนะท่านองค์สุดท้ายนะครับผมขอกอนจบการแสดงธรรมก็ขอทุกท่านได้พนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกัน3 า, ราครั้งนะครับกราบกราบกราบ